ทธาญาโยมทุกขวนนาอะละมะนีเกเทวาเป็นวันที่ยี่สิห้าเมษาที่จาภาพเป็นเดตปารุปเปิดงาน ตั้งแต่วันที่18จนไปทางวันที่25เป็นวันเลิกลาพายจะอาจารย์นิวอนแล้วก็ชาวบ้านน้องกุ้งเฮาทุกๆคนไปเฉพาะกำลังใหญ่แบบคงสิเป็นพอผู้งใหญ่เสวง ได้กระไลคไลค้ายพอจำซื้อบาได้ตลอดทั้งพวกแม่ออกชาวบ้านทีเป็นเจ้าภาพทีได้เอเ่ยพยีอึกน้องโคษณามารวมในงานปฏิบัติธรรมในปีพศสองพันห้าร้อยสก็ได้เฉพาะ น้องกุง ม, มันน้องกุ่งเฮาอัแต่ายพันพันยานครูสีได้เริ่มมาก็เคยได้มาห่วมอยู่เรื่อยๆได้สำัมอยู่ในวัดบ้านก็เป็นเวลาหลายปีเพิ่นได้เริ่มมา ไปเฉพาะไปเฉพาะโมเมนต์พูดถึงอารมณ์ปฏิบัติพูดไปจินนา ก, กะไปยังน้อยใค่ามาหวมแค่วันลงกงสำัยแดกๆสังใจจะไม่ลงปูเถายังอยู่ในวัดบ้านมาเห็น พันประทับใจพันจัดงานอันนี้เนี่ยจะทำไมห้องพ่อเทียนยังจ์นู้สีพันได่นมน์น้องพ่อมาร่วมทำไมหนเช้าวานก็คืออ่าทอถูกถูกทองทินพวกนมสาวกำลังบดเด็บดไปทำงานกรุงเทพทางบดไปทำงาน ท า, ท, าทางเท่ทางทองเทนเอิญน้วนกะ็นจัด ง, งานจังสีพวกนุ่มสาวเป็นกำลังใหญ่มาเห็นผลตอนเย็นทําวัดเซ็จจ่งสีฟังเทศก็มีนุ่มมีสาวมารวมเต็มสลายใหญ่ผลนะครับมาร่วมปฏิบัตริรวมช่วยงานสนับสนุน เป็นต่อยสองลอยปกนมปกสาวมาช่วยเพนเาโอเพื่นกว็ว่าทำไมว่าเพระฉัด ง, งานปฏิบัติเพื่นก็เขาวัดเป็นประจำวเนี่คือหลวงปูง่เพื่นเป็นผู้ที่เรียกร้องลูกรลานนมสาวเขาวัดเป็นประจำ มอเวลาจัดงานปฏิบัติกับเป็นกำลังใหญ่ช่วยอย่างเต็มที่นี่คือกักชนะชาวบ้านท้องถิ่นชาวบ้านนองกุงมรนกาะต่อรงจังคงจะมีความชิดปกพอออกไม่ออกชาวบ้านนองกุงมแต่จังใดหาทีหาทางมาขยับขยาย จะเป็นทีวัดปลาอันนี้ก็อ่าสฉินเฉินเพราะว่าข้างแรกกระไดทนนนีน้อยๆโตมากะทึ้งปีนี้กับเพินกระไดอีกเพิ่มเรื่อยๆอันนี้ทีก็เป็นหลายๆแล้วตลอดทางเสนาสนะทุกอย่างกับ น, นี่ที่อยู่ที่อาศัย ก็สมควรเดี๋ย็มากเขาวัดอาตมาอยู่บุญละนี่รู้สึกว่าชาวบ้านมีความเอาใจใส่ในการสนับสนุนเป็นกำลังใหญ่ก็โดยเฉพาะถ้าชาวบ้านให้ความสนับสนุนเป็นกำลังก็ไปงายในกระทังการปฏิบัติก็เนกัน ว่าอารามณ์เป็นที่สุว่านีอันใดขึ้นแ้ะเชิงใดยงันงนกทั้งทีทางนี่ก็เป็นราคาพอสมควรของคนบอกบทถึงไหก็เป็นละในทีพอพอไรก็เป็นแปดมื่นเก้ามื่นอันไรกลัวนี่ก็เป็นแสนกลัวไปอทชวนมง ท, งที่มันเทายมงนี้นี่คือ ชาวบ้านอันนี้ก็ขอเกินจิตใจน้อยขณะจะเ่าจามเมื่อนอี้อาจังอพิธีกรโโหรือโคโซเป็นอาจารย์วอนเป็นข้าไปแล้วัเมืองเลือด า, าพยายจะเป็นเมืองที่เขาที่ได้กลับปิจุภูมมาจุภุมพ่อแม่ญาติโยมมาจาก ทองชินไก่ก็มีหลายมากนาหรายตาฉะนั้นอันนี้เฮาที่ได้มาหวมกันโดยเฉพาะกับบุคคลเก่ากักบคงสลายบคุคคลใหม่ก็คงสียีอันนี้ที่เฮาได้มาหวมกันในงานนี้ก็ที่ว่ามาหลับทิศ ด, ดีหลับขอแนะนำ ไม่รักปฏิบัติมาฝึกเอามาหวมกันทีได้เห็นทางตาที่ได้ยินทางหูที่ได้มาหลับลูเป็นระยะเจ็ดวันแต่กับม่นเลอไม่นวันเลยปฏิบัติ ไปเฉพาะโ่เมนต์เด็ปฏิบัติคือเด็กในการกำหนดจัดกิจกรรมโฮมกันเสยเมื่อเวลาเฮากับบ้านกับเมืองเฮาก็เอาวิธีการเอาหลักการนั้นนีไปปฏิบัติไปใช้มมมเมื่อเต์เลิกแล้วกลับมาแล้วก็ปล่อย อ, อันนั้นโมเมนต์ก็คือ ดลกหลานเท่าหื้อคือเท่าไปโรงเรียนใช่ไหมก่อนพระพุทากับเคยเขา้าโรงเรียนเท่าไปโรงเรียนไม่ไม่กันเล่นเขียน ก, อก่อไก่ก่อกาเขียนยี่ห์หันเนี่ยกไก่กันไรเขียนไรเทียจึงเป็นตนเป็นโตจนจบพ่อโนกังหูแต่ละโตวสวีชำนาญ น, นี่ก็ต้องหมดสอเห็นหมดกระดานจังไรอัน นี่ไม้คือเขาจังว่าเขาเริ่มต้นการเขียนการปฏิบัติวิธีปฏิบัติของหลวงพอเทียนเขาคือกันงั้นเราปฏิบัติอะไรก็ได้ก็ได้โดยเฉพาะเขาจังเข้ามาห่วงกันมาเลยโดยเราเข้าสิเดินกันไปแล้วเข้าไปหอยบานเขาก็เอาไปคือน้าจนน้าตัวคือเก่าโดยเฉพาะอาจารย์ได้ยิน ท่านอาจารย์โยมสมบูรณ์ก่ อ, อปัญหาของโยงมเมื่อคืนนี้ที่ว่าเมื่อเวลากลับไปบ้านเนีย่ยจังหวัดสถานทีมนะะ่มันสัปปะยะมันลำนวยในการปฏิบัติเมื่อเวลากลับไปบ้านเนี่ยมันก็อยู่กับหลูกักบหลานมันก็เพื่อนกับสานชุมนมชนที่เหตุอย่างไรในการปฏิบัติ เป็นฆราวาสญาญโญพละมีมากอันนี้จะเป็นเชิงทีญาญโมบางแทนบางคนท้อใจการยอมรับอาจจะมาการยอมรับอยว่าสถานทีเป็นเชิงทีสำคัญพอสคมควรในดับปฏิบัติ ถ้าอยู่ในชุมชนอื่นคนึ่งที่เฮาใหม่มันกะจัากจะมีความบัสดวกปันไดทราน้นให้คือเพิกสุใหม่อาจจะมาบวใหม่ๆมทองจิตตำนาน้าเป็นดวงเจ้าี่เอดังเก้าชพ แบนนังสือมาทองกับโจหนังสือเสมอไปเป็นออกบินทบาทเป็นทํางานกันยังอยู่กับทวนทวนสูตรที่เคยทง่ทงท่องโยทวนโยจักกุ ม, มาทวนพระหุนเป็นออกเดินทบาทกันยังทวนทําการทํางานก็ยังทวนอันนี้คือกันในออกเข่าพอเข่าคือกันเป็นหอบบริษัทจังหวัด เอาบอลเดินจมล่มจะจับความรู้สึกจับความรู้สึกเป็นที่เหตุอีกย่งไปให้ไปหน้าไปหัวไปสวนปวดบานปวดหื่นร่างถอยรางจามอยู่ก็จับความรู้สึกจับความหัวมาอบ่งจิตบ่งใจบ่เอาแใจลบแบบว่าได้เดินจมกรมโดยสร้างจังหวะเสมอไปจับความรู้สึกมันหลงมันลึกกับเอาไหม เบิ้งมันอยู่หันเผ็ดอย่างทำมาได้กงเบิ้งจับกลุมรดยสึกอยู่ในหลักปฏิบัติวมมันมี้จะพอแต่ว่าจิตหมุนไหวจิตเดืยดหอนพระนี้จากงานไปเดินจมกลมไปสั่งจังหวัดอันนั้นไปเทีนแต่ว่าต้องจับกลุมรู้สึกถูกขณะ ในขณะใดที่อารมณ์ที่มันบ่ชใครดีนี่แหละกลับมาเบิ่งโจ้เฮาในขณะที่จิตใจที่มันวนมันไว้อารมณ์มาทางกาทางหูมากระทบกรทั่งจิตใจที่มันเคยข่มโกรธข่มเกลียดอยากจะไปมองเขาหูจงกันข้ามกลับมาเบิ่งเฮากลับมาเบิ่งเฮามาเบิ่งกใจมาเบิ่งใจกลับมาเบิ่งเฮานี่ เกิดขึ้นพออยังก็พอใจพออันใดนักใจพออันใดโกยเกียดพออันใดกลับมาบังเฮาอยู่นี่กลมพอใจกลมพอใจกลับมาบังเฮาเวลาสามจังว่าเวลาเรียนกลมเวลามันอำนวยเกี่ยวไว้จังหวะวันว่าจับกลมเราเสกอยู่ตกขณะนี่คือหลักปฏิบัติของเฮาง่ายๆแต่กายนะอยู่คือกันเพราะว่า สภาพวิจิตน да. ี่มันเป็นนามธรรมมันเป็นวัตถุที่สิจับได้ใบถือถ้าเป็นวัตถุที่จะได้ใบถือไอ้ฉันจะเข้าขุดเดินเขาเสียยาเขาได้ยาอย่สิวาดใบไม้อยู่สิมันไงก่อทำไงทางจิตทางใจบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกานเท่า เหตุไงไงคือเขาทูบบานทุบเฮือนนี่มันกะสะอาดไปปรได้๋ํานำประใดีลยวทางคิดท้งใจอะไรมันเป็นจริงี่ิเกือกูลต่อหลงต่อเต่าต่อหลงต่อหานเรื่อกันตลอดทางเป็นการเผยแพร่ธรรมธรรมสอนของพระพุทธเจ้า ด้วยการพฤติกรรมคือปฏิบัติปฏิปทาดีสมมาได้มาอบรมเจ็ดวันที่เขาเรียนมาอยู่รวมกันอันนี้จะเป็นเชิงที่ว่าให้เขาได้จากการประพุตปฏิบัติในงานนี้โมเด็งเะพอได้ว่ามาหฮมพันซุ์เสซกับบานเดกกบ เทียงไปอันนั้นก็บอแม่อันนี้เป็นเชียงที่ว่าคันเห่ารำนำอยู่เอาปฏิบัติปฏิบัตปฏิบัติอยู่การเปลี่ยนแปลงของจิตก็จะ เ, เ, เกิดขึ้ น, บ, นบม่อนอนกามาเพราะว่าจิตนี่มันเป็นเชีงที่ว่า บางครังบังคนาเขากะดูเท่าทัานบาัางมาดูเท่านบางังก็โดยเฉพาะเอาที่เรเคยได้ฝึกเอาที่เ่าเคยได้เห็นได้ทํานี่มันก็เป็นการที่สับสนพอสมควรให้ใช่ำนหมก็ให้ลำหน่าให้ลํานําหลักปฏิบัติที่ยะติโยมเป็นมหัม แลกะกาศจะพออิม่มกับลูกเรียนน่อยเอวคือกันโดยจะพะเดี๋ยวนี้ก็พักปิดพักเรียนปิดพักเรียนเอาก็ได้เอ า, เอาลูกออนไลน์มาบวช เพื่อฟุตเพื่อฮัทอันนี้ก็บอกว่าจะสำนักใดลายสำนักอันนี้กะใคยๆคยคุยกันจังวานึงคุยกันใเดือ น, น, น, น, น่อยฮั่อันนี้กะบก่เสมอไปบางสำนักก็อดีเรียบร้อย อันนี้ก็บอกมันไม่พอวิจารอม่นไยทำไมยุ่ใ น, า น, นกายเพิน่นได้คุยกันเพินนนเน่นจะมามาในกายเฮานี่ชักจะยหย่อน ม, มากระเ บ, บนเอียงดอกก็ูดจนข้าวข้าวบางสิมางย่างกันคือกันนั่นแ่ะเพราะว่าท้าไม่ยุดมานิ ก, กายมันก็จะพอบำบานไม่น้อยจักเล็กยังอยู่ทางบา้านคนอ่ะได้คุยกันครับลงพอที่เป็นไปบวดท้าไม่ยุดจนกลับมาบ้าน คนมาจยู่วัดมหาเนกกายคนก็บอกทิว่าคนเป็นธรรมยุทธเด็กคนกันถือว่าเป็นกันเองถือว่าเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นบัดตัวจีโน่นี่แหละมางานที่บ้านนั้นรวมกันได้คุยกันคนก็บว่ามาหาเนกกายเท่านี้กะสมทีธรรมยุทธเขาติเพื่อนเพื่นว่าวัดว่าอาลาม กรบาลลำนำมาใช่ไหมกระทาจิดวัดทําบัดชวนมนรักษาบาทรักษาบริขารก็ยังบ่เรียบร้อยมันข น, นาติพนักบุญมาพอได้ยินแล้วก็โอ้ันมาลงตายยูนนํำบานกัอันนี้ละลายองค์กับบินทำบาด มาจากเขาแห่งเลี่ยงไกลไข่มาสิแล้เป็นสลาได้เป็นที่อยู่ก็บกรรลัยในพื้เนเป็นคนกันเองแล้วมาคุยกันเป็นกระบะผมนี่ว่าเขาทั้งธรรมยุตธเส ม, มอไปว่ามันเขาทำมาในไก่เส ม, มอไปเพื่อที่ประสานเพืคยเกิดความสมคีอันได้จุดใดบุกของไฟได้สิได้ซอยกันเจ๊ไขา่มาสิ่า นี่คือคนคูยใหนฟังอันนี้ก็จะฝากล้วพอเขาทุกๆุกลูกหมายถึงม า, ฟาไฟต่อกันขามเป็นมองจุดอ่อนของเขาะครูบาอาจารย์ทุกทุกลูกนี่จะสร่างเป็นบวชการบวชทุกคนกะบางสมนักกะเท็ดดียคือคนดับบุญฟูจิเขามาบวชนี่ โดยเฉพาะที่เป็นเน้นกระตามเป็นพากกระตามพคนที่ให้เขาวัดมาเป็นนานอยู่จกยังนอนสิบหาเมื่อหลับสิบแปดโกนหัวหอมผ่าเขาอ่ะผูธรรมยุทธยังวัดดูนนจะจ๊ะหลวงพ่อพังอดีตหลวงพ่อพังคนที่มาให้มาฝุกให้ได้นินใสจังเขา้าโบสถ์ บันประชาอุปสมบทตาผู้ใดบ่มีปฏิปทาที่อยู่ในสึกษาไว้เลยอันนี้คือแก่ปุกของข้าเจ้าอันนี้เท่ากันลูกแมรนี่คือคติว่าธรรมดาธรรมดากำลังเป็นผู้ขนองโยผู้เย่าโยกะทน พอย่งไปเขาว่าแล้วพอแล้วพอมาควบคุมพวกผมเของมปกผมเสียบหนามเลยแล้วก็ขจ้าก็เลยเย่อีน้องพอไปจ้ะอันนี้พันพวกนั้นเขาเจ้ามาเห็นกะทีจมตีห้องพอสมควรอะเนื้อกระเจียวเลนเนื้อเจียุ่นโดดน้าออันนี้กะหนานั้นคือกันนี่ครูบาอาจารย์กะค่อยๆอันนี้ ไฟนั่นขาจาสีมองเขาในทางที่ว่าผาพดจริงมันก็เป็นแค่ระบุคคหรอกอันนี้แกส่วนใหญ่ก็อยู่ในใบรุ่นไว้กันนองก็ที่ว่าธรรมดาแกว่าขาจ้านั่นควรสิบวชขจ้านี้เอาแต่แฉกไหวให้หน้าขาให้เชยยกจังหมผ่าเหลืองเข้ามาแล้วกันมีปฏิปทาใมพอสมควร อันนี้ก็เป็นอเช่นที่ว่าพวกนั่นขาเจ้าได้คุยกันรับผมในไปยากือฝ่มูพวกเพื่อนฝูงสารจำหนิคืครัเบวนโมไปรบข้าเจ้าออเว่าไปแล้วน่ยแหละดังในทางระดับประเทศกัคือกันอวบมหาดีการตัวธรมยุทแต่ว่าส่วนดงส่วนหนึ่ง กิจกรมนไปีพระธาตอยาาจะทายาโยมดีพอได้ผมเป็นอยกิจเจสิบางสำนักบางานกิจเจสีนางเจ่กระเจสิพอสมควรที่ไฟนั้นฉะนั้นกะเทวากเทวาทุกไฟล่ะโมหะมหา ในกายตัวธรรมยุตถือว่าเป็นอันเดียวกันท่านเรียน้ของพระศาสดาเป็นข้อว่าปฏิบัติอันเดียวกันบมได้บ่ได้นั่นแต่วาส่วนในกายเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นไหมเท่านั้นกะมีลักษณะที่ว่าอื เป็นฟักเป็นไฟฉันเขาเห็นฉันเขาประสบอยู่อันนี้คือลักษณะถ้าส่วนลับปฏิบัติเท่านั้นบดิวารมหาลักายบริวาธรรมยุทธ์เราไพ้ะบอายดเทียนทองมือสมัยก่อนเป็นแบบนั้นทำไมสิมา ธรรมยุทธขม่าคนกบาได้บวชธรรมยุพหันนิกายปฏิบัตตาดใดไปนั่งกันใดบไดีคิดว่าเออทำเป็นธรรมยุทธตามตรงธรรมยัจนาถีก็พอว่าเคยว่ามีธรรมยุทเขมาปฏิบัตดังก็เท่าว่าให้เจีดนั่มกันแล้วขอเป็นให้โอกาสดีในกับบอดติด ไปสมมุตบัญณัแบบเสมอไปฉะนั้นอนี้จะต่อการของเราเพราะว่าในนัละเป็นที่สํสำคัญขนานสำหรับผมนี่ก็ บุพพอคยู่มาคือกันหลายเชิงหลายอย่างที่กิจเจ้ามาเห็นที่กิจเจ้ามาดั น, นขออัตโตปุพ้อง พ, พ, อ, งพอสาควรคือกันนี่เป็ น, นั้ไปนั่งก็จ เ, เจ้ า, ามาคอยชิ้แจงใั้เมาไน่ ในขณะที่พอร์มารวมกันแล้วคิดจาคิดล่ากันแล้วก็พยายามไม่ออกทุกๆคนแจงเข้ามาแล้วทุกๆนั้นเท่าที่ไปถึงเที่ยวสารแล้วแล้วก็ทันเฮ่าไม่ปฏิกรรมที่ ถ้กปฏิบัติไปใช่ที่บ้านที่เฮนเทาพอสมควรสมควรก็เป็นการที่ว่าซอยกันซอยกันยังไม่ว่าที่ไ่ได้เทศได้ทำคือว่าจะประสงค์ม่ได้ประกาศบ่ได้ขึ้นธรรมเทศเลยก็โดดจับหะ คือพฤต <Yeah. S 1> ิกรรมพฤติกรรมปฏิปทาผู้เป็นพอเป็นเล่ทำให้ดวงใเราบิ่งทำให้ดวงใจเรเห็นบางสิ่งบางอย่างกะแนะนําร้ามเตรียมในทางที่ดีที่งามบ่เหม็นจะ่จะบ้าสิดบ่จริงจริงเอาเป็นโยมก็ไม่ถึงวา การกระทำการประติปฏิบัติเป็นตัวอย่างของดูของหลักนี่เป็นสิ่งที่สําคัญอ่ะมันก็จะแปลว่าตัวอย่างเดียวก็คําสอนนั่นแหละใช่ไหมข้าเคยเหตอันใดมาเคยคิดอันใดมากระให้มันหลุดมันหลุดไปพอสมควรสมควรอย่างเคยจิต ยาให้ติดมากนีีกัให้มันทนไปได้ให้มันทนไปได้ยาจะให้มันพลไไุ่ง พ, ล, ไไ พ, ล, พลังคือเกา่าจำท่านอาจารย์จำาสัก์เป็นวายุเป็นประจําเป็นประ จ, ระจัาวงสุภยานนมันน่าเจียรอาจจะมากก็สืกกัน เห็นกนาเจียดแค่กันโดยเฉพาะเข้าไปที่ชุมชนดิดผ่าผ่าบา้าเอาเชิญผ่ธาผ่าบ้าผ่าเขาแล้วก็ขีดด่มอเตอร์เดินตามสาธารณชนอันนี้เป็นสิงกนาเกลียดที่สุดอันนี้างานโยม ก, กันกันมาปฏิบัติแล้วครับเท่งได้พอเลยกันเลยเที่ยงได้พดละกันล ะ, ล อ, นละอันนี้จะเป็นอนุสรณ์ ในการมา ป, บบปฏิบัติธรรมอแยงไงยิ่งอุาบาสกเขาทั้งส อ, ง, อ ง, ทงที่เป็นเด็กเก่าอชั้นดอนกับอศรีเขีนมามาเป็นที่หละจากเพศนี้พอเลีงเ้งไปแล้วแต่เอกลักษในปฏิบัติของท่านกยัง คงเส้นคาทำไมถึงว่าบ่อศพบุรีบอ่บ อ, บอจินเหล่าบ่อเทียวทำไมถึงว่าทำ น, นาที่เป็นคารวะอย่งดีหนาที่พอให้ไม่ให้ยังดีแล้วก็บ่อลืมเอกลักษณ์ ว่าเขาที่เคยเป็นนักบวชเคยซ้อนนี่ค่ะขอสรรเสริญแต่ก็กะนั้นเฉพาะก็เคยผู้หลายๆที่เคยมาปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเทียนแต่ดุลก่อนก่อนก็มีดุลใหม่ๆ ก, ก็มีเ่กออกไปแล้วสุบยากินเหล้าเล่นการพนั้น ในกันแน่มากนี่คือสังคมมันเดินไปเขาว่ามีเอ ก, กลักษณ์เขาว่ามีอุดมคติของเจ้าของเอาใจสังคมเป็นใหญ่ยังงอาจารย์สมบุญว่างเมื่อคืนนี้เอาสังคมเป็นใหญ่แม่กระทั่งว่ากันพ่อชูยาพ่อจินเหล่าเขาสังคมบอดดิอันนี้มันมันมันโยงกับแต่ละบุคคลแต่ละบุคคล าเามีเอกลักษณ์ว่าเออเราสิบพิิตยาสิบพสุการพนันบมเลมันก็อยู่กับเขาอยู่กับผู้อื่นช่นผู้อื่นเปน่นดีองประกอบการเทามีคิดที่น้องไปสู้กับเขาเปลมันก็อยู่กับเขา่านั้นไม่มีผู้ใดสิยัดเยียดบรืสิมายางเลยครับแต่ คนที่ <c oughs> แก่ตัวเคยมาอยู่ในโรมาเทียนหลุนกรกรอธมาที่ไปอยู่เคยเจ้ากระซึกไปแล้วเป็นว่าเป็นขรวาจานโยมที่ทำให้โตขึ้นกระป๋มเพราะฉะนั้นคือจงกาต้องเปลี่ยนสีใดอันนั้นไม่ถึงว่าเบาตามจิตเลของแจก ข, ของโดยตามความอยาก ป่มมาขุดธรรมะจากการกระทํากับไปอย่างอื่นอันนี้เข้าเป็นนักปฏิบัติแล้วคํารทำแบบว่า เ, เป็นกระปมเป็นจริงกาเนี่ก็เปลี่ยนทีได้เข้าพอชิ้นแล้วก็ชินเขาพอเรียนการเพราะฉันพระาจจะยอมรับประดี๋ยกันเป็นอะไรให้ไม่เอ ก, กลักษณ์นะโยมทุกๆคนเียย่งย่างของดูของเต่าของดูของหลายเพ ส่วนห่เป็นรปฏิบัติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามป็การปฏิบัติแบบเขยไเ้ยของพระเทียนมีสติมีสัมปชัญญะติดตามปันเท่าสิจิตอันอะนยิ่งทำอะไรยิ่งก่เอาลปฏิบัติไปใช้ให้ลํานํามัจะปล่อยปแล้วเลยจนเกินไป อันนี้จังมีีชงบะหฮได้มาวงในงานปฏิบัติบางบางนามก็ไปรายงานไปหลายจังหวัดก็ให้มันได้บางสิ่งบางอย่างแว่แต่พอส่วนหน่วยกลางสูงหัวอาจจะเปลี่ยนแต่พฤติกรรมนี้ไม่เปลียนไลยขังกายขังวาจากคือคิดใจเป็นผู้ทีมืด อาทิสว่างไลยผู้ที่หลงถึงงมงายกทิมีความเฉลาดยเกิดขึ้นอันนี้กะขอฝากญาติโยมอทุกทุกคนอละมณีในทันนาทีอาจารย์นิวอนในคณะสงฆ์บอกพดาให้ถอดสปิสปะกขอญาตโยมทุกทุกคนอันนี้ เาจะกลับบานเราจไปถึงมาทั okay, ้งเมืองกัให้เอาสติสัมปชัญญะใาปฏิบัติไปประพฤตปฏิบัติเพอควารุ่ดความพนตามสมควรจำควรให้จังหวะไปแล้วแก้มพระพุทธศาสนาคือหมดในหมดคือคนารุ่ดพ้นรุ่ดใจการทำตัว การผูกเชื่การฉิดเชื่ชชเป็นสิ่งทีท่ทุกคนรนูปัดมาพัฒนาด้วกับผู้ที่สันเสริมงานขออำนาจแทงการประบัติธรรมที่เขาได้มารวมกันเจ็ดวันก็ขอให้เป็นพลวะเป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยครับจนนุ่นโซงให้เข้าเข้าใจธรรมะของพระศาสนาอยูกันโดยความสันติสุข เอาตัวลอดจะให้กินเละครอบงำจนเกินไปทำลายความถูกใจก็นบางสิ่งบางอย่างขอให้ทุกๆคนมีความสุขมีความเจริญขอจบ